อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องระบัดคือ1 7 1่งพิกษณีใช้แล้วสลัก 2. อพิกษณีใช้ผ้าที่สละแล้วอีก 3. ภพิกษณีใช้สอยในเมื่อไม่มีพิกษณีอื่นผู้มีประจำเดือน 4. ภ่พิชซนีถูกย่งชิงผ้าเอาไป 5. ภพิกษณีผ้าหาย 6. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง เภิกษุณีวิกชนจริต8ปภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จบ